งานต่างๆที่พวกเราทำกันนี้ถ้าดูจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่กับจิตใจเป็นเหมือนของเล่นเสียมากกว่าเป็นของที่ยามีคนมีประโยชน์งานที่มีคนมีประโยชน์ ต่อจิตใจของพวกเราจริงๆก็คืองานภาวนาเท่านั้นงานนี้งานเดียวเป็นงานที่สำคัญที่สุดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราอย่างแท้จริง งานที่สำคัญรองลงมาก็คืองานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่จำเป็นที่จะต้องมีต้องทำเพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายมาภาวนาะอันนี้คือ งานที่เราควรจะทำกันสองงานเท่านั้นคืองานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอร่างกายเราอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ควรที่จะมาภาวนากันไม่ควรที่จะไปทำงานอย่างอื่นเพราะงานอย่างอื่นประโยชน์ที่ได้รับจากงานอย่างอื่นเป็น ประโยชน์ชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้ความสุขมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่มีอะไรยั่งยืนนอกจากความสุขที่เราจะได้รับจากการภาวนานี่แหะคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ ถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ท่านจะสอนให้เรามาหัดภาวนากันมาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจเพราะประโยชน์ที่เกิดจากการภาวนาจะเป็นประโยชน์ที่ถาวรที่ยั่งยืนที่จะให้ความสุขกับใจ ไปเป็นเวลาอันยาวนานถ้าเราไปหาความสุขจากวิธีอื่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวถ้ามันเป็นความสุขแท้ความสุขที่สะสมอยู่ในใจใจของพวกเราตอนนี้คงจะมีความสุขกันเต็มหัวใจไปแล้ว พอเราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาอย่างต่อเนื่องหามาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้พอเป็นเด็กลืมตามาได้ก็เริ่มหารูปดูลนะต้องร้องขอพ่อแม่ให้หารูปมาให้ดูพ่อแม่ก็เอารูปการ์ตูนรูปตุ๊กตารูปอะไรมาแขวนไว้บนเปลนอนมองขึ้นไปเห็น อะไรแกวงไปแกวงมาก็เกิดความสุขเนี่ถ้าเห็นแต่เพดานขาวขาว่วางๆเห็นแล้วก็รู้สึกจืดชืดพ อ, อมีตุ๊กตามีตัวอะไรมีเสียงอะไรแขวนอยู่บนเหนื อ, อเปรนอนนอนขึ้นไปแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆหูแปลกๆตา ก็เกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวที่ไม่สะสมไม่เก็บอยู่ในใจมันมาแล้วพอไม่ได้เห็นมันมันก็จางหายไปหรือถ้าเห็นบ่อยๆมันก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนกับตอนที่เห็นตอนใหม่ๆ เวลาเห็นอะไรใหม่ๆรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแต่พอเห็นบ่อยๆจนเคยชินแล้วมันก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรอย่าเสียเวลากับการหาความสุขแบบนี้เลยหาต้องหาไปจนวันตายหาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจ พอถึงเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาได้ทีนี้ก็จะเดือดร้อนใจนะจะไม่มีความสุขจะมีความเหงาความว้าเหวความซึมเศร้านะะอาจจะทำให้คิดอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาเราอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะ เพราะร่างกายอาจจะแก่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ตอนนั้นใจก็จะไม่มีอะไรให้ความสุขกับตัวเองแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการภาวนาได้ความสุขจากการภาวนามันจะอยู่กับใจเรา ไปตลอดและเราสามารถที่จะเติมให้มันเต็มอยู่ในหัวใจเต็มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอเติมเต็มแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการภาวนานเป็นความสุขที่จีรังถาวอนยั่งยืน ที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายของเราไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ถ้าเราภาวนาได้ภาวนาเป็นเราจะภาวนาได้ทุกขณะของชีวิตไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บ ร่างกายจะตายหรือไม่นะการภาวนานี้สามารถดำเนินต่อไปได้สามารถสร้างความสุขให้กับใจได้ตลอดเวลานะลวความสุขเหล่า น, นี้มันก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปใน ใ, นใจมากขึ้นไปจนเป็นความสุขที่สมบูรณ์ความสุขร้อยเปอร์เซ็นตะ์ ที่เรียกว่าปรามังสุขขังเนี่ยเรียกว่าเป็นความสุขร้อยเปอร์เซนตบรมมาสุขสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้กับใจไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ ไม่ต้องมีการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรอยู่คนเดียวกับมีความสุขมากกว่าความสุขนี้ได้จากการอยู่กับคนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันเป็นความสุขเดียวเดียวความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ท้าวร จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการภาวนาการภาวนานี้เป็นการสร้างความสุขทางใจที่มีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันที่เรียกว่าระดับที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสมถภาวนา ขั้นที่หนึ่งคือการสร้างความสุขด้วยการควบคุมความคิดหยุดความคิดนใจของเราคิดอยู่อย่างต่อเนื่องจึงทำให้ไม่เกิดความสุขทางใจปรากฏขึ้นมาถ้าเราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เราจะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลองเปรียบเทียบดูระหว่างที่เราอยู่ที่สถานที่มีเสียงหรือกระทึกเคืกโคมกับอยู่ที่ไม่มีเสียงหรือกระทึกเคึกโคมเราจะรู้สึกว่าบรรยากาศมันต่างกันที่มีเสียงกระทึกเคึกโคมมันก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นร้าวใจต่างๆ เช่นตามบาตามผับเนี่ยตามดิสโก้เยมีเสียงหือกระทึกครึโครมแต่พอเสียงเหล่านั้นหายไปหมดก็จะปรากฏคือความเงียบขึ้นมาบรรยากาศของความเงียบกับบรรยากาศของเสียงที่กระทึกครึกโครมนี่มันต่างกันฉันได ใจของเราเวลาที่มีความคิดปรุงแต่งต่างๆมันก็จะมีความบรรยากาศอย่างหนึง่งพอมันหยุดคิดปรุงแต่งได้มันนิ่งสงบได้ใจก็เงียบเหมือนกับเวลาที่อยู่ในสารที่ที่ไม่มีเสียงเลยกระทึกคึ้คโคมนะบรรยากาศมันจะต่างกันความสุขสองรูปแบบนี้จะต่างกัน ความสุขจากการอยู่ในที่อึกกระทึกคึกโครมมันก็สนุกสนานแต่มันเหน็ดเหนื่อยมันเป็นความสุขแบบเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นแรงเต้นกากันทั้งวันทั้งคืนพอไปอยู่ที่ไม่มีการน้องนำทำเพลงไม่มีเสียงอึกกระทึกคึกโครมเงียบสงบเวลานอนก็นอนได้ ระวังนอนกับการเที่ยวกับเสียงออกับทึกขึ้โคมนี่อันไหนดีกว่ากันนอนดีกว่าใเที่ยวมาเหนื่อยแล้วไม่อยากจะทำอะไรนะอยากจะนอนนอนแล้วมันแสนจะสบาย น, น, นี่หละคือเปรียบเทียบให้ฟังเพระยาะญาติโยมไม่เคยเจอความสงบของใจว่าเป็นยังไงเจอแต่ความสงบของเสียง ก็ได้ลองเปรียบเทียบให้ดูเวลามีเสียงหรือกะเทอเครืคคร่องคมมันก็สนุกสนานเฮฮาไปอย่างหนึง่งแต่มันเหนื่อยมันสนุกแบบเหนื่อยท้ายเต้นร้างเต้นกันทั้งคืนเดี๋ยวก็หมดแรงไม่มีแรงจะเต้นไม่อยากจะเต้นกันออตอนนั้นก็อยากจะหาที่นอนกัน อ, อยากจะหลับอยากจะนอนกันพ อ, อปไปที่ที่ไม่มีเสียงหรือกะเทอเครืคคร่องควานี่ ก็หลับปลุกเลยหลับสบายมีความสุขเลยนี่ก็เหมือนการจิตของเรานี่มันชอบส่งเสียงกับกระทึกครุ่มตลอดเวลาเอด้วยความคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เอแล้วก็เกิดอารมณ์ตื่นเต้นหวาดเสียวอะไรต่างๆขึ้นมาเอ ก่อความเพลิดเพลินสนุกสนานกับความคิดปรุงแต่งของตนแต่มันสู้เวลาที่มันหยุดคิดไม่ได้เวลาที่มันหยุดคิดนี่จิตนิ่งจิตเงียบจิตเบาจิตเย็นจิตสบายก็เหมือนกับร่างกายเวลาร่างกายเต้นแรงเต้นกาก็สนุกไปแบบหนึง่งพอได้พักผ่อนหลับนอนก็สบายไปอีกแบบหนึง่ง แต่พวกเราไม่เคยพักผ่อนจิตใจกันเลยพักผ่อนแต่ร่างกายแต่จิตใจนี้พักไม่เป็นเพราะมันไม่เหมือนร่างกายร่างกายพอมันหมดแรงไม่ต้องไปบังคับมันมันก็พักของมันเองได้แต่จิตใจมันหมดแรงมันไม่เคยหมดแรงมันไม่เคยหยุดคิดมันไม่เคยหมดแรงที่จะคิดกันเราจึงต้องมาหยุดความคิด เราถึงจะได้เห็นว่าเวลาที่จิตใจพักผ่อนแล้วเป็นยังไงเวลาจิตใจได้พักผ่อนนี้มันเป็นความสุขยิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงอ่านี่ขั้นแรกที่เรียกว่าสมถตภาวนาก็คือการมาหยุดพักจิตใจกันนั้นเองหยุดการทํางานของจิตใจหยุดเรื่องความคิดปรุงแต่งต่างๆของจิตใจ ถ้าหยุดได้แล้วก็เหมือนกับคนที่ได้พักผ่อนหลับนอนเวลาได้พักผ่อนหลับนอนตนื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานเวลาจิตสงบนี้ก็เหมือนกันจิตจะมีความรู้สึกสุขอย่างไม่เคยสุขมาก่อนเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจเหมือนกับ ยกภูเขาออกจาก อ, อกนะเวลาเราคิดนี้เรามักจะหนักอกหนักใจกันหนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากได้อะไรก็หนักอกหนักใจกับการที่จะต้องไปหามันได้อะไรมาแล้วก็ต้องหนักอกหนักใจกับการคอยรักษามันแล้วพอเกิดมันสูญเสียไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา นี่คือผลที่เกิดจากการปล่อยให้จิตใจเรามีความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆความสุขที่ได้มันก็เป็นความสุขเดียวๆพออยากได้อะไรก็ดิ้นลนกันขวนขวายหากันช่วงที่หาก็เหน็ดเหนื่อยตื่นเต้นหวาดเสียวพอได้มาก็ดีใจ ไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็หมดไปหายไปแล้วก็ต้องมาหนักอกหนักใจกับสิ่งที่เราหามาได้ต้องคอยดูแลรักษาแล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องมาแก้ไขมาซ่อมแซม ไดอะไรมาแล้วแทนที่จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวมันก็มาให้ความไม่สบายใจความหนักอกหนักใจให้กับเราด้วยต่างกับเวลาที่ไม่มีอะไรให้ดูแลรักษาเวลาไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ต้องมากังวลกับมันไม่ต้องมาคอยดูแลรักษามัน แต่พอมีแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วถ้ามันเสียใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่อันนี้กลายเป็นภาระความสุขแบบหนักอกหนักใจความสุขแบบที่เป็นภาระต่อจิตใจคือความสุขที่เกิดจากความคิดปุงแต่งต่าง พอมาคิดปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดความอยากได้สิ่งที่คิดปรุงแต่งขึ้นมาพอคิดพออยากได้ก็ต้องไปทำตามที่คิดไปหาสิ่งที่อยากได้อยากได้รถก็ต้องไปหารถถ้าต้องใช้เงินซื้อรถไม่มีเงินซื้อรถก็ต้องไปหาเงินไม่มีงานทำก็ต้องไปหางานทำ มันจะเข้าสู่กระบวนการของความยุ่งยากลำบากกว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้ก็เดี๋ยวเดียวเหมือนงูแลบลิ้นได้แป๊บเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็หายไปซึ่มาทำงานทางตรงกันข้ามดีกว่า มาหยุดความคิดปรุงแต่งกันดีกว่ามาทําใจให้สงบให้ใจได้พักผ่อนดีกว่าแล้วเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆที่เราคิดปรุงแต่งกันอยากได้กันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้กัน ของดีๆอยู่ในตัวเราของง่ายๆกับไม่รู้กับทำไม่ได้เพราะไม่เคยทำมาก่อนที่มันยากก็เพราะว่ามันไม่เคยทำมาก่อนความจริงมันไม่ยากหรอกเด็กยังทำได้สมัยพุทธกาลนี่มีเด็กสามเณรบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มี ถ้ามีคนสอนมีคนบอกมันทําได้สิ่งที่คนาหนึ่งก็ทําได้เราทําไม่ได้เพราะเราไม่หัดทําเหมือนเขาะเด็กบางคนเล่นดนตรีได้ไหมเล่นไวโอลินเล่นเปียโ น, โนเล่นอะไรให้เรานีให้ลองไปเล่นเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้ให้ไปหัดก็หัดไม่อยากจะหัดอีก มันยากตรงที่เราไม่ยอมหัดกันไม่ยอมฝึกฝนอบรมกันมันก็เลยยากอยากจะได้แบบเปิดสวิตไฟกดปุ่มปับ๊บก็ได้ปุ๊บเลยมันไม่ได้อย่างนั้นความการทำใจให้สงบนี้ถ้าลองหัดทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายพอเราทำเป็นแล้วมันก็จะง่ายมันจะชำนาน เหมือนคนเล่นดนตรีนี่เวลาใหม่ๆก็ต้องหัดเล่นทีละนิว้วจิ้มทีละนิว้ว ด, ดีทีละนิว้วไปแต่พอหัดทาไปเรื่อยๆหัดทาไปบ่อยๆเดี๋ยวก็ชํานาญเดี๋ยวก็ทำแบบไม่ต้องคิดเลยพอหัดทาไปเรื่อยๆแล้วมันจะจดจําได้ในใจเหมือนกับตอนที่เราหัดพิมพ์ดีดใหม่ๆ มองไปได้แป้นโอ้โหเต็มไปหมดเลยตัวอักษรแต่พอเรามาหัดพิมพ์แบบสัมผัสเนี่ยให้พิมพ์ให้ให้นิ้วนี้พิมพ์กับแป้นนี้นิ้วนี้พิมพ์กับแป้นนี้หัดพิมพ์มไปพิมพ์ไปต่อไปมันก็พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วอยู่ที่การฝึกฝนอบรมใหม่ๆไม่เคยทํามันก็จะรู้สึกยาก แต่พอหัดทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ง่ายเองกลายเป็นของง่ายไปไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรใหม่ๆนี่ยากทั้งนั้นคนที่ไม่เคยว่ายน้ําให้ไปหัดว่ายน้ํำก็ใหม่ๆก็รู้สึกว่ายากไม่เคยขี่จักรยานให้ไปหัดขี่จักรยานก็รู้สึกว่ายากไม่เคยขับรถไปหัดขับรถก็รู้สึกว่ายาก ไม่เคยพิมพ์เดชไปหัดพิมพ์เดชก็รู้สึกว่ายากถ้าเราไม่เคยแล้วพอจะต้องทานี่มันจะยากแต่พอเราหัดทำไปเรื่อยๆไม่นานมันก็จะง่ายเพราะเราจะชํานาญเราจะจําได้ว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วพอทำไปแล้วมันก็เลยฝังอยู่ในใจเป็นอัตโนมัติขึ้นมา โดยแทบที่จะไม่ต้องบอกมันพอถึงเวลาก็ทำได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกับการหัดเล่นดนตรีหรือหัดเล่นกีฬาเช่นตีกอล์ฟหรือแทงเบรลเลตหรืออะไรก็ตามของต่างๆ่เหล่า น, นี้มันมีวิธีการของมันที่เราจะต้องหัดพอเราหัดทำตามที่เขาสอน กีฬาแทบทุกชนิดโดนตีทุกชนิดหรือการกระทําอะไรทุกชนิดนี้มักจะต้องมีคนสอนต้องมีโค้ดมีอาจารย์นาเป็นคนบอกวิธีที่ถูกต้องพอรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วหัดทําไปเดี๋ยวก็ทําได้จะได้มากได้น้อยจะ จะเก่งไม่เก่งนี่อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะคนบางคนเรียนเรียนแล้วเรียนรู้ได้เร็วนะสามารถทาได้ดีกว่าบางทีดีกว่าคนสอนก็มีอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมอยู่ที่การศึกษาเล่าเรียนจากผู้รู้ถ้าเราภาวนาไม่เป็น เราก็ต้องไปหาครูที่สอนวิธีภาวนาครูก็จะบอกวิธีว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าทำตามที่ครูบอกเดี๋ยวก็ทาได้การภาวนานี้ง่ายกว่าการหัดขับรถเสียได้ซ้าไปรถนี่มีอะไรหลายอย่างไหนจะมีพวงมาลัยไหนจะมีเบรกมีคันเร่งไหนจะมี เกียร์แต่การภาวนานี่มีตัวเดียวท่านเะนี่ยมีสติตัวเดียวอนะให้ฝึกสติกันเท่านั้นเองให้ใช้สติหยุดความคิดเนะี่ยวิธีสร้างสติก็ให้ระเลิกถึงคําบริกรรมพุทโธคําเดียวเนอะให้พุทโธพุทโธไปเอถ้าเราพุทโธพุทโธไป พุทโธมันก็จะมาแทนความคิดอย่างอื่นความคิดอย่างอื่นก็จะคิดไม่ได้เพราะพุทโธก็คือความคิดอย่างหนึ่งเมื่อเราเอาความคิดมาคิดพุทโธมันก็จะไปคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้เพงแต่เราที่เกียจพุทโธกันนะเราชอบคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มกันมากกว่า คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคิดถึงคนนั่นคนนี้คิดถึงการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คิดถึงการไปดูไปฟังอะไรกันะมันก็เลยคิดพุดโทโธไม่ออกเพราะความคิดไปในทางความอยากนี้มันมีกําลังมากเพอเราจะดึงความคิดให้มาคิดในทางพุโทโธนี้มันเลย ยากเพราะมันมีกําลังน้อยะความคิดไปในทางความอยากมันใครคิดมาไม่รู้กี่แสนล้านปีแล้วมันมีถ้าเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์โลกถ้าเป็นนักมวยก็เป็นแชมป์โลกครองแชมป์มาไม่รู้กี่กี่ล้านสมัยแล้วส่วนพุทธโธนี้เป็นเหมือนผู้ที่จะมาเริ่มท้าชิงแชมป์นี่ผู้เพิ่งเริ่มหัดชกนี่ใหมยๆก็สู้แชมป์เขไม่ได้หรอก ชื่อความคิดปรุงแต่งไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้พุโทโธได้สองคำก็ถูกนอกนะหายไปแล้วพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเดี๋ยวไ้หายไปนะแล้วพุโทโธขนมเข้ามาแทนที่แล้วเครื่องดื่มเข้ามาแทนที่แล้วที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เข้ามาแทนที่แล้วแต่ไปจัดงานวันนูน้นวันนี้เข้ามาแทนที่มีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดน พุโทโธนี่ขึ้นไปเวทีได้สองสามคำเท่านั้นถูกถูกยับทีเดียวไม่ก็นอนนับสิบไปแล้วเนี่ยปัญหาของการภาวนาของผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆเป็นเหมือนมือใหม่หัดขับเนี่ยหรือเป็นนักมวยเพิ่งหัดชกเนี่ยพอขึ้นเวทีจะไปชิงแชมป์ไปสู้กับแชมป์เนี่ยพอแชมป์แยบมาทีเดียวก็ล้มพับไปแล้ว พุโทโธได้สองสามคำหายไปไหนเราไม่รู้พุโทโธไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ล่ะแล้วมันจะไปสงบได้ยังไงมันไม่มีวันสงบล่ะถ้าปล่อยให้มันไปคิดตามที่มันเคยคิดต้องสู้ต้องใช้คำว่าสู้อย่าถอยอย่ายอมแพ้ต้องคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ถ้าพุโทโธอยู่ที่ไหนเดี๋ยวความสงบก็อยู่ที่นั่นให้คิดอย่างนั้นพยายามหัดพุดโทโธไปพุทยากง่ายก็พุโทโธพุโทโธไปเราต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไม่ใช่มาทำตอนที่นั่งสมาธิมันก็เหมือนกับนั่งมวยไม่ซ้อมเลยจะไปซ้อมบนเวทีก็ถูกเขานอกเท่านั้นเวลานั่งสมาธินี้ถือว่าขึ้นเวทีแล้ว ก่อนจะขึ้นเวทีนี่ต้องซ้อมก่อนซ้อมชกกับสอบซ้ายซ้อมชกกับคู่คู่ซ้อมซ้อมชกกับโค้ดโค้ดจะได้บอกว่าต่อยแบบนั้นต่อยแบบนี้ถ้าไม่ซ้อมเลยจะมาซ้อมตอนที่ขึ้นเวทีก็ถูกเขานอกอันหนึ่งจะมาเริ่มพุทโธตอนที่นั่งสมาธิกันไปไม่รอดพุทโธได้สองสามคำหายไปแล้ว คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปละพอคิดไปสักพักเดี๋ยวทนนั่งเฉยเฉยไม่ได้นะอยากจะลุกไปทำนู่นทำนี่ละเนี้ยผลเลยไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะขาดวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไม่มีใครสอนให้ซ้อมก่อนไม่มีใครสอนให้เจริญสติก่อนที่จะมา ขึ้นเวทีก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องฝึกสติก่อนฝึกให้มากๆซ้อมให้มากๆนักมวยนี่เวลาที่เขาจะไปชิงแชมป์นี่เขาถูกตัดไม่ให้ไปเที่ยวนะโค้ชบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเข้าค่ายอยู่ในค่ายห้ามออกเที่ยวเช้าก็วิ่งออกกำลังกายตื่นแต่เช้าออกกำลังกาย แล้วก็หัดชกลมชกกระสอบทรายยกน้ําหนักอะไรต่างๆเพื่อเพิ่มกําลังให้กับร่างกายให้มีพลังมีหมัดหมัดต่อยดีแต่หมัดเบาก็ไม่มีประโยชน์เลยหมัดต่อยดีแล้วต้องหมัดหนักด้วยฮหมัดจะหนักนี่ต้องร่างกายต้องมีพลังต้องมกล้ามเนื้อต้องเล่นกล้ามยกน้ําหนัก เวลาต่อยมันย้่ต่อยได้แรงไม่ใช่ต่อยเร็วแต่ต่อยเบาเนี่ยต่อยเร็วแล้วต้องต่อยหนักด้วยไมะงั้นต่อยเขาสิบครั้งเขาก็เฉยต่อยเหนื่อยเปล่าต้องต่อยทีเดียวล้มลงไปเล ย, ยต้องเตรียมการไว้ก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทีก่อนที่จะภาวนาก็ต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆ เอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเพราะช่วงตื่นก็มาใหม่ๆนี้เราไม่ต้องคิดไม่มีเรื่องอะไรที่เราจำเป็นจะต้องคิดช่วงนั้นเรามาหัดพุทโธพอลืมตาขึ้นมาจะไปเตรียมตัวไปทำงานาช่วงเตรียมตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรงานที่ทำไม่ต้องคิดมากเพียงแต่ให้รู้ว่าตอนนี้อาบน้ำตอนนี้แต่งตัวตอนนี้ทำนู่นทานี่ทนั้นเอง ช่วงที่ทําก็อย่าปล่อยให้มันไปคิดเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาจะลุกไปเตรียมตัวช่วงที่กําลังลุกขึ้นไปเตรียมตัวก็ต้องเริ่มพุโทโธไปละพุโทโธไปเดินไปก็พุโทโธไปพออาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปทําอะไรต่างๆก็พุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆะ พอถึงเวลารับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปเวลาเดินทางไปก็พุทโธไปถ้าไม่ได้ขับรถเองถ้านั่งรถไปก็พุทโธไปถ้าขับรถก็ต้องคอยดูรถด้วยพุทโธไปด้วยหรือดูรถอย่างเดียวก็ได้ดูการขับรถไปถ้าไม่ดูรถเดี๋ยวชนกันถ้าโมแต่พุทโธพุทโธขับรถไปไม่ดูว่ารถ ข้างหน้าเขาหยุดหรือไม่หยุดนี้เดี๋ยวก็ไปชนท้ายคนเห็นเวลาขับรถถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนจากพุธโธมาการดูการขับรถก็ต้องดูการขับรถไปนี่คือการฝึกพุธโธพุธโธพอมีเวลาว่างเช่นวันหยุดนี่เราก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้เยอะแทนที่จะไปทํางานนี้เราก็มีเวลา มาทำภาวนากันมานั่งสมาธิกันได้แต่เราต้องเตรียมสติไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมไว้พอถึงเวลาที่จะนั่งสมาธิมันไม่มีสติที่จะหยุดความคิดนั่งไปแล้วก็ไม่เกิดผลขึ้นมาพอไม่เกิดผลก็เลยเกิดความท้อขึ้นมาพอท้อนี่แล้วมันก็ยิ่งทำให้ไม่อยากจะทำ ในที่สุดก็ล้มเลิกไปนี่แหละปัญหาของคู่ที่ฝึดทำอะไรแล้วทำไม่สาเร็จก็เพราะว่าทำไปแล้วไม่ได้ผลเพราะอาจจะไม่ได้มีคนบอกวิธีทำที่ถูกต้องและไม่มีการปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องนั้นผลมันเลยไม่ปรากฏขึ้นมามันก็เลยทำให้ หมดกำลังใจหมดความยินดีที่จะมาทำเนียก็เลยเปลี่ยนว่าไม่เอาแล้วทําอย่างอื่นดีกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไปทําอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มาหัดภาวนากันหลายคนมาหัดแล้วทําไม่ได้ก็เลยหมดกําลังใจ ก็เลยไม่ทำต่อไปก็น่าเสียดายเพราะว่าความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นของที่ยากขั้นตอนของการฝึกมันง่ายมันไม่มีมากไม่ยุ่งยากเหมือนกับอย่างอื่นมันยากตรงที่ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องทำอยู่บ่อยๆทำแบบไม่หยุดน่มันถึงจะได้ผลได้ประโยชน์ แต่ถ้าทําแบบปุ๊บปั๊บแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาทําใหม่แบบกระต่ายเนี่ถ้าทําแบบกระต่ายมันจะสู้ทําแบบเต่าไม่ได้เอเต่านี่มันคานของมันไปเรื่อยๆมันไม่หยุดนแข่งมีนิทานมีศพมันกระต่ายกับเต่าแข่งกันเอกระต่ายเห็นเต่ามันเดินช้าก็เลยชล่าใจไปเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมา ดูว่ามันวิ่งไปใกล้หลักชัยหรือยังพอมันใกล้แล้วเราก็จะมาวิ่งไล่มัน <Yeah. S 1> ก็เลยไปเที่ยวไปเล่นพอมาดูอีกทีเอาเต่ า, ต า, ตากือบจะถึงหลักชัยซะแล้ว <Yeah. S 1> พอจะมาวิ่งไล่ก็ไม่ทันล่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อย่าทำแบบกระตายทำปุ๊บทำนิดนึงแล้วก็หยุด <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวค่อยทำต่อก็ได้ <Yeah. S 1> ของง่ายๆ่ายพุโทโธพุทโธมันจะยากอะไร yeah. Yeah. พอมาถึงเวลาที่จะให้ทำจริงๆมันทำไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ฝึกมันไม่ได้ยากยองไหนมันไม่ได้ฝึกพุทโธพุทโธพุทโธพอถึงเวลาจะให้มันพุทโธมันก็ไม่ยอมพุทโธมันก็เคยคิดมันเคยฝึกให้มันคิดปล่อยให้มันคิดมันก็ทำตามที่มันเคยชินการการกระทำอะไรที่เคยชินมันง่ายกว่าการกระทาอะไรที่ไม่เคยชิน ทั้งๆที่มันก็เป็นความคิดเหมือนกันพุทโธก็เป็นความคิดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นความคิดเหมือนกันและเป็นความคิดที่ยุ่งยากกว่าความคิดที่พุทโธเสด็จําไปแต่เรากลับคิดกันได้คิดเรื่องทำนู่นทำนี่จัดจัดการจัดงานซื้อข้าวซื้อของโอ้คิดวางแผนได้หมด ซื้อของร้านนี้ซื้อสิ่งนี้ไปซื้อที่นู่นซื้อสิ่งนี้ไปซื้อที่นั่นรู้หมดคิดได้หมดรายละเอียดต่างๆมากมายแต่พอให้มันคิดไอ้ของง่ายๆแค่พูดโทรพูดโธนี้คิดไม่ออกเพราะว่ามันไม่เคยคิดนยมันเคยคิดแต่ของยากๆของยากๆว่าจะทำกับข้าวจะต้องซื้ออะไรมาบ้าง ซื้อเนื้อที่ไหนซื้อผักที่ไหนซื้อเส้นที่ไหนซื้ออะไรที่ไหนมันคิดได้หมดมันเคยชินกับความคิดที่ยากๆพอให้มาคิดกับของง่ายๆมันของกล้วยๆเลยคิดไม่ออกพูดโทรคำเดียวเลยคิดไม่ออกกันน่าเสียดายของง่ายๆแต่มีคุณค่าประโยชน์มหาศาลกับคิดไม่ได้ทำไม่ได้ กลับไปคิดของยากๆที่ไม่มีคุณค่าสาระต่อจิตใจมีแต่เรื่องหนักอกหนักใจให้กับจิตใจคิดได้ไหม่หมด <c oughs> โอยเขาว่าเราอย่างนั้นเขาว่าเราอย่างนี้เขาทำตาทำคิ้วอย่างนั้นอย่างนี้กับเราโอยมันรู้รายละเอียดไปหมด <c oughs> เวลาใครเขาทำอะไรนี่คิดได้หมด <c oughs> แล้วก็มาหนักอกหนักใจมาเศร้าโศกเสียใจ ทุกครั้งที่นึกที่คิดถึงเรื่องของคนที่ก็าทำให้เราไม่สบายใจคิดได้ํำนานเก่งแต่ไม้คิดของขอ ง, ง่ายๆพุโทโธพุโทโธคิดได้สองคำหายไปแล้วพุโทโธไม่รู้หายไปไหนเหมือนหนวงปู่มัน่นท่านเดินจงกรมในป่าท่านไปอยู่กับชาวเขาในป่าแถวเชียงใหม่เดินจงกรม ชาวเขาสงสัยเห็นหลวงปู่อยู่คนเดียวเดินไปเดินมาหาอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยไปถามหลวงปู่หลวงปู่หาอะไรผมช่วยหาได้ไหมเออได้กาลังหาพุทโธอยู่ไม่รู้มันหายไปไหนช่วยหายให้หน่อยหา ย, ยังไงก็ท่องพุทโธพุทโธไปหลวงปู่ ก, ก็เลยสอนชาวเขาให้ภาวนาให้หัดพุทโธพุทโธไป ชาวเขาเขาไม่มีความคิดยุ่งยากเขาก็อัดพุทธโธได้ง่ายอัดภาวนาได้ง่ายแต่พวกเรามันชอบคิดของยุ่งยากหลายชั้นหลายหลายลึกลับซับซ้อนคิดจนปวดหัวก็มีคิดจนแบบนอนไม่หลับก็มีนอนไม่ได้ก็มีแต่ก็หยุดคิดไม่เป็นปัญหาของพวกเรานะับรถที่ไม่มีเบรกกันเข้าใจไห รถของพวกเราไม่มีเบรกจิตใจของพวกเราไม่มีสติที่จะหยุดความคิดของจิตใจมีสติเพียงแต่พอที่จ ะ, ะทำให้มันช้าลงหรือทาให้มันเปลี่ยนเรื่องแต่ไม่พอที่จะไปะไปหยุดมันให้มันนิ่งสงบร้อยเอร์เซนหยุดไม่ได้เราจึงต้องมาฝึกสติกันก่อน การภาวนาขั้นแรกจรึงต้องมาหยุดความคิดมาสร้างสติให้มาหยุดความคิดกัน mm. การจะสร้างสติก็ต้องใช้เครื่องมือสร้างสติ mm. เครื่องมือสร้างสตินี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์หรือสิ่งที่จะทำให้เร า, าหยุดความคิดของเราได้ mm. มีอยู่สี่สิบชนิดเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ มันก็มีแบ่งไว้สำหรับขั้นเริ่มต้นกับขั้นขั้นสูงเวลาปฏิบัติเราก็ต้องเอาขั้นง่ายก่อนเอากรรมฐานแบบง่ายๆมาใช้ส่วนกรรมฐานกรรมฐานแบบยากนี้มีไว้สำหรับเอามาใช้แก้ความคิดชนิดที่ยากชนิดที่แบบง่ายแก้ไม่ได้ก็ต้องใช้กรรมฐานชนิดอื่นชนิดง่ายๆก็คืออนุสติ อนุสติก็คืออารมณ์ที่เราใช้ตั้งสติกันเช่นใช้พุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกแบบสวดบ ท, บทพระพุทธคุณไปก็ได้ที่เราไหว้พระสวดมนต์นี้ก็เป็นการฝึกสติโดยไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเราสวดนู่นสวดนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเรากําลังจเจริญพุทธานุสติ กำลังสร้างสติด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าบทสวดพุทธานุสตินี้ก็คือสวดพระคุณของพระพุทธเจ้าอิตีปิโสภะกวาเห็นไหมภะกวาคือพระพุทธเจ้าอารหันสัมาสัมพุทโธเป็นพระอรหันสัมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นการเจริญพุทธานุสติ อันนี้เป็นแบบพิสดารเรียกว่าแบบพิสดารแบบง่ายก็คือเพียงแต่นึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชื่อพุทโธเอเราก็เราเลิกพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจเพียงอย่างเดียวก็เป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นการใช้พุทโธสร้างสติขึ้นมาเอะจะใช้ธทำโมก็ได้เอ ใช้ธรรมานุสติก็ได้สวดบทธรรมคุณก็ได้สวาขาโตภะคะวตาธรรมโมเนี่ยหรือจะใช้สังคคุณก็ได้สวดบทสังคคุณก็เป็นการเจริญสังขานุสติใช้สังใช้บทพุทธคุณมาเจาริญสติกันสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนเนี่ย เพียงแต่ว mm ่าเราสวดกันน้อยท่านั้นเองสวดกันแค่รอบเดียวสามสวดรอบเดียวจบก็ไปคิดต่อละมันต้องสวดไปเรื่อยๆสวดไปเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันคิดเพื่อให้มรามันหยุดคิดหรือเพื่อให้เราสามารถสั่งให้มันหยุดได้พอเราต้องการให้มันหยุดคิดเราต้องสั่งมันได้ถ้าสั่งไม่ได้เราก็ต้องสวดไปก่อนสวดไปจนกว่ามันจะหยุดคิด ต่อไปเวลาที่เรามีสติแล้วเราไม่ต้องสวดพอมันคิดปั๊บเราบอกให้หยุดคิดมันก็คิดมันก็หยุดตามที่เราเสรั่งถ้าสติเรามีกําลังนะแต่ถ้าสั่งให้มันหยุดคิดอย่าคิดมันยังฝืนยังดดิมคิดอยู่เราก็ต้องสวนไปต่อสวนสุปฏิปันโนสวกสวาขาโตสวดอิติปิโสไปหรือไม่เช่นั้นก็ บริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้อันนี้เป็นการฝึกสติด้วยกรรมฐานคืออนุสติมีอนุสติสามข้อคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเอาข้อเดียวก็ได้สามข้อก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจเอาแบบพิสดารก็ได้เอาแบบง่ายๆก็ได้แบบพิสดารก็สวดบททั้งบทไป สวดแล้วก็ต้องสวดไม่ใช่จบเดียวสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่าเราจะหยุดความคิดได้ถ้ามันยังไม่ยอมหยุดเราก็ต้องสวดไปเรื่อยๆถ้าไม่สวดก็ใช้ชื่อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้พุทธโธไปก็ได้ธรรมโมไปก็ได้สังโฆไปก็ได้ออันนี้เป็นวิธีหนึ่งสําหรับคนที่เริ่มฝึกหัดหาอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายเนี่ย แ้าเวลาที่มานั่งนี่ก็อาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งแทนพุทโทธทมโมสังโฆก็ได้ก็คือใช้การดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปานะสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกหรือลมออกลมเข้าไม่รู้ต้องไปดูคําแปลดูแต่สองคำนี้แปลว่าลมเข้าลมออกอาณาปานะสติ ให้มีให้ดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะมีสติขึ้นมาที่จะหยุดความคิดปุงแต่งได้ <Yeah. S 1> เวลานั่งสมาธินี่จะดูลมนี่ง่ายที่สุดถ้าไปดูลมตอนอื่นมันยากอย่าไปดูลมเวลาเรามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายนี้มันดูยาก ถ้าใช้พุทธโธไม่ได้ก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปถ้ากําลังเดินก็ดูเท้าไปว่ากําลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้ากําลังทำอะไรก็ดูการเคลื่อนไหวของการทำงานของร่างกายไปกําลังยกของกําลังตักน้ากําลังล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็ดูมันไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสติอีกวิธีหนึ่งด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของที่เจริญสติเป็นอารมณ์ของ สติอันนี้เรียกว่ากายะกะตาสติกายก็คือร่างกายกายะกะตาสติใช้ร่างกายเป็นที่จะรานสติ น, นี่คือวิธีการต่างๆที่ในช่วงที่เราจะรานสตินี้เราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ดูการทำงานของร่างกายก็ได้เวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือจะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือบางทีฟังเทศฟังธรรมก็เป็นอารมณ์ของการทำใจให้สงบได้เหมือนกันบางทีถ้านั่งเฉยๆนี่นั่งเดียวๆก็ทนนั่งเฉยๆไม่ได้นะแต่พอมีธรรมะให้ฟังนี่นั่งเพลินนะนั่งได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วร อ, อันนี้ก็การใช้การฟังธรรมเป็นการเจริญสติอีกวิธีหนึ่ง คนส่วนใหญ่มกักจะชอบฟังธรรมเพราะเวลาให้นั่งสมาธิเองนั่งไม่ได้แต่เวลาฟังธรรมนี้เหมือนมีคนป้อนสติให้มีคนป้อนอารมณ์ให้ให้ให้เสรแต่ถ้าทําเองเหมือนก็ต้องตักข้าวกินเองเช่นเวลาท่องพุโทโธพุทโธนี้เหมือนกับเราต้องตักข้าวเข้าปากเองแต่เวลาเราฟังธรรมนี้เหมือนมีคนป้อนข้าวให้เราเพียงเราเพียงแต่นั่งเฉยๆฟังไป ฟังไปคิดตามไปเวลาก็ผ่านไปใจก็ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทรรมที่แสดงก็เป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจเย็นใจสบายขึ้นมาคนที่หัดเริ่มจเจริญสติใหม่ๆถ้าใช้พุทธโธไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ก็มกักจะอาศัยการฟังธรรมไปก่อนฝปายธรรมไปฟังไปก่อมใจไปก่อน พอฟังเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีสติพอที่จะดูลมต่อได้ก็ดูต่อไปอย่าเพิ่งเลิกพอนั่งฟังธรรมไปพอเทศเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็นั่งต่อดูลมต่อไปแล้วใจก็จะสงบมากขึ้นเพราะการฟังธรรมนี้มันให้ความสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เล็กเท่ากับการดูลมหายใจเข้าออก ถ้าดูลมหายใจเข้าออกนี่มันจะดึงใจให้เข้าไปในลึกในไปถึงก้นก้นของบ่อเลยให้มันลงไปถึงฐานของจิตเลยถ้าดูลมหรือบริกรรมพุโทโธนี่สามารถดึงจิตให้ลงไปถึงฐานได้คนบางคนบริกรรมพุโทโธพุโทโธแป๊บหนึ่งมันเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบอยู่ที่ฐานของจิต ตกไม่ต้องตกใจเวลาตกมันรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงแต่มันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เจ็บไม่ต้องกลัวให้มีสติพุทธโธต่อไปหรือให้รู้เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบพุทธโธก็หยุดไม่ต้องพุทธโธต่อไปจิตก็จะไม่คิดปรุงแต่งจิตก็จะรู้สึกเย็นเบาสบายมีความสุขเหมือนกับไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อน เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพนที่ไปถึงจุดนี้แล้วจะเข้าใจความหมายของคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปาลังสุ ข, ขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนนี้แหละพอเจอตัวนี้แล้วจะรู้ทันทีแต่สำหรับผู้ที่ฝึกผัดใหม่ๆนี้จะเข้าถึงตัวนี้ได้เพียงเชื่อแค่ ง, งูแลบดิน สงบแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเพราะกำลังของสติมีมีน้อยพอถึงเหมือนกับเข็นคุกถึงยอดเขาปั๊บก็เป็นลมหมดแรงสติที่ดันจิตให้เข้าไปถึงฐานพอเข้าไปถึงฐานได้มันก็หมดแรงมันก็เลยเด้งออกมาถูกกีดดันออกมาอันนี้เขาเรียกว่าคันนิกะสมาธิสงบแป๊บเดียว แต่พอเรารู้แล้วว่าสตินี้มีคุณค่าอย่างไรทำให้เราสามารถเข้าถึงฐานของจิตได้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ทีนี้จะเกิดความขยันขึ้นมาแล้วทีนี้จะขยนะันจเจริญสติพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดแม่คิ ด, คดทำงานก็อยู่กับงานที่ทำไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้น หรือไม่ฉะนั้นก็พุทโธสลับกันเวลานั่งก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็จะเข้าไปได้นานขึ้นพอเข้าไปได้นานมันก็เป็นอัปปนาสมาธิความสงบมีสองแบบเรียกว่าการิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธิการวิกาก็สงบแบบงูแลบลิ้นอัปปนาก็สงบนาน นานตั้งแต่เลยงูราบลิ้นไปก็ถือว่าเป็นอัปปนาละถ้าได้ห้านาทีนี่ก็ถือว่าเริ่มเป็นอันนี้อัปปนาแบบแบบเด็กล้แล้วต่อไปก็สิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีมันก็จ ะ, จะเจริญติบโตเหมือนร่างกายมันจะนิ่งได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆตามกําลังของสติที่เราหมั่นฝึกฝนอบรมพ อ, อกจากสมาธิมาก็มาฝึกสติกันต่อ ช่วงสมาธินี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาช่วงสมาธินี้เรามาฝึกมาเลี้ยงจิตให้มันเจริญเติบโตเหมือนร่างกายก่อนร่างกายคนเรานี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนถึงไปทํางานทําการได้ใช่ไหมเหมือนกันจิตก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนร่างกายของจิตตอนต้นเวลาได้สมาธิใหม่ๆก็เป็นเหมือนเพิ่งเด็กเพิ่งหัดยืน เด็กที่กำลังคานเริ่มเริ่มยืนได้ขึ้นมาก็เรียกว่าคันิกะสมาธิยืนมาได้แค่สองนาทีวิสองวินาทีก็ล้มลงไปละคานใหม่แล้วใหม่ๆก็เป็นล้มลุกคลุกคานตอนนั้นเราอย่าเพิ่งไปใช้เด็กไปทำงานให้เด็กไปหั ด, ย, หดยืนหัดเดินให้ได้ก่อนให้เด็กจเจริญเติบโ ต, ต, ตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก่อนสมาธิก็แบบเดียวกัน พอเราได้คณิกะแล้วเราอย่าพึ่งไปทางวิปัสสนาพอจากสมาธิมาก็มาฝึกสติต่อมาพุโทโธต่อมาคอยควบคุมความคิดต่ออย่าปล่อยให้คิดคิดเท่าที่จำเป็นที่จะต้องคิดแล้วก็เพื่อที่จะมาให้มีกำลังมากขึ้นให้สติมีกำลังมากขึ้นพอนั่งสมาธิคราวหน้ามันก็จะสงบได้นานขึ้นตอนต้นก็แบบงูแลบลิ้น ต่อไปก็จะอยู่ได้ห้านาทีอยู่ได้สิบนาทีอยู่ได้ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีมันจะอยู่ได้จนถึงชั่วโมงไปเลยเป็นชั่วโมงไปเลยเพอได้อย่างนั้นทีนี้แล้วสามารถเข้าได้ทุกเวลาออกมาปุ๊บอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็เข้าไปได้อันนี้เรียกว่าเราพร้อมแล้วทีนี้ที่จะเอาจิตที่มีสมาธินี้ไป ทำงานทางวิปัสสนาได้แล้วไปเจริญปัญญาต่อไปแต่เบื้องต้นนี้ถ้าจิตยังล้มลุกคุกคานเป็นสมาธิแบบล้มลุกคุกคานอยู่เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเข้าได้เดี๋ยวเดียวบ้างเข้าได้นานบ้างแต่ยังไม่ยังไม่เสถียรยังไม่มั่นคงก็พยายามทำให้มันเสถียรทำให้มันมั่นคงต้องการเข้ามาไหลก็เข้าได้เข้าแล้วก็อยู่ได้นาน เออพอถึงขั้นนี้แล้วล่ะถึงจะเวลาออกมาจากสมาธิต้องไปทางปัญญาทางวิปัสสนาขั้นที่สองถ้าไม่ไปเราเรียกว่าติดสมาธิละเอชอบแต่ทําแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ชอบไปทางวิปัสสนาแต่ก่อนจะติดสมาธิได้ต้องมีสมาธิให้ติดก่อนพวกที่ยังไม่มีสมาธิกลัวติดสมาธิกันเรื่องเกิน พอนั่งสมาธิปั๊บจิตจะนิ่งปั๊บรีบพิจารนากันใหญ่รีบเจริญวิปัสสนากันใหญ่ถ้าเจริญวิปัสสนาแบบไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีกำลังไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาไตรลักษณ์ไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาอาสุภะอะไรต่างๆเหล่านี้ของเหล่านี้มันต้องใช้กำลังบังคับเพราะจิตมันไม่ชอบคิดเรื่องราวเหล่านี้มันชอบคิดแต่ของสวยๆงามๆชอบ คิดแต่พวกนิจจังอัสุขขังอัตตาเห็นอะไรแ ล, แล้วก็คิดว่ามันต้องเป็นของถาวรให้ความสุขเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดมันชอบคิดเรื่องนาเหล่านี้แต่มันเป็นเรื่องหลอกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาความจริงทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอัอตตามันตรงกันข้ามกัน ตรงกันข้างกับความคิดของของกิเลสตัณหาของพวกเราเพราะเราเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยหวออ่ามันต้องเป็นนิจจังสุขขงังหน้าตาถึงอยากจะได้กันใช่โอ้ได้มาแล้วจะมีความสุขความสุขแบบแบบนิจจังคือถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเป็นของเราเป็นสมบัติอยู่กับเราไปตลอดไม่มีการพัดพากจากกันมันจะคิดอย่างนี้เราต้องมาแก้ความคิดแบบนี้มันฝังลึกในสันดาน ถ้าไม่มีกําลังมันจะถอนมันไม่ได้ทุกครั้งมันจะคิดว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาเราต้องบอกไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูสิคนที่เขาแต่งงานกันนะแต่งกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันละตบตีกันละทะเลาะกันละเนี่ยเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตาตาตรงไหนวะเออเนี่ยต้องหัดคิดแบบนี้เอนี่คือแต่มันจะคิดยากเพราะมันไม่ยอมคิดกัน เห็นไมทางคนไหนดูพอเจอใครชอบขึ้นมาโอ้จะต้องเป็นคู่ของเราลักกันไปจนวันตายเนี่ยมันมีที่ไหนัมนไม่มีแล้วที่จะลักกันไปจนวันตายทะเลาะ ก, กันจนวันตายจะไม่มากกว่าแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดกันไม่ศึกษากันไม่ยอมมองความจริงเพราะไม่มีกำลังสู้กิเลสสู้ความหลงที่จะหลอกให้เราคิดว่ามันเป็นนิ จ, จังสุขขังอัตตา เราจึงต้องสร้างกำลังคือสมาธิถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เป็นเวลายาวนานต่อไปเราก็สามารถสั่งให้มันไปคิดในเรื่องที่เราไม่ชอบคิดกันได้คิดว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดว่าสิ่งที่สวยงามความจริงมันไม่สวยงามคิดถึงสิ่งที่น่ากินว่ามันไม่น่ากินถ้าเราไปมองในเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลามันเข้าไปในปากแล้วนี่มันกลายเป็นขยะไปหมดนะ กลายเป็นของที่เราไม่ต้องการกันทั้งนั้นเพราะอาหารเข้าไปในปากนี่คายออกมาไม่มีใครก็อยากได้แนละ้วไม่มีใครแย่งกินกันแนละ้มีแต่หมาเท่านั้นที่จะมาแย่งกินกันนะแต่คนไม่เอาละอาหารถ้าอาเจียนออกมาถ้าคายออกมาจากปากแล้วต่อให้มันมีราคากี่หมื่นกี่พันก็ไม่มีใครกินนะเพราะมันไม่น่ากินแนละ้วแต่ความจริงมันยังกินได้แต่มันไม่น่ากินนะั่นเอง มันอยู่ในปากเราเรากินได้พอเราครายออกมาเรายังไม่กินเลยนิดเดีมันก็เป็นของกินได้แต่ไม่ยอมกินเลยเพราะมันไม่น่ากินนะเนี่ยนี่คือวิธีต้องคิดแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะคิดอย่างนี้ได้เพราะมันจะคิดแต่ของที่น่ากินนะคิดแต่ของที่อยู่ในจานออกมาสดสดน้อนๆอนจากกระทะนี่ควันขึ้นเห็นแล้วมันล้มลายไหล ไม่คิดตอนที่มันอยู่ในปางอยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมาสดสด น, น้นอนๆเหมือนกันแต่ไม่น่ากินแล่วนี่ต้องรอให้มีสมาธิแข็งแรงก่อนต้องเข้าสมาธิได้นานแล้วชำนาญเข้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการเพราะจิตบางทีมาออกมาแป๊บเดียวมันวุ่นก็ต้องเข้าไปหลบถ้าเข้าไปไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพะจิตวุ่นวายทีนี้ก็ มีแต่ปัญหาตามมาล่ะงั้นต้องสามารถฝึกควบคุมจิตให้ได้เวลามันไม่เวลามันไม่มมไมสงบนี้ต้องสั่งให้มันสงบให้ได้แล้วเราหนึ่งจะไปทํางานทางวิปัสสนาพิจารณาทางปัญญาได้ต่อไปแล้วถ้าเราพิจารณาทางปัญญาได้เราก็จะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างปัญหาให้กับเราให้หมดไป พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้ต้องผ่านขั้นสติให้ให้ได้ก่อนต้องฝึกสติทำใจให้สงบได้นานๆได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยไปฝึกคิดทางปัญญาคิดทางใและคิดทางอสุภะคิดทางปฏิกูลของอาหารแล้วต่อไปเราจะ ทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากแล้วใจเราก็อยู่เฉยๆก็เป็นสุขไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเราให้ความสุขแล้วก็มีความทุกข์ถา ม, มาด้วยทุกรายกาันเหมือนเหงือที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยเป็นเหงือเป็นอาหารก็จริงแต่มีเบ็ดคอยเกี่ยวปากอะ ของต่าง ๆ, ๆที่เป็นความสุขมันมันแนก็มีความทุกข์คอยมาเกี่ยวใจเราทำให้ใจเราต้องปวดร้าวไปตลอดพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บต่อไปเราก็ไม่ต้องการอะไรไม่อยากมีอะไรอยู่แบบไม่มีดีกว่าสบายกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับนัตติสันติปลังสุขขังอันนี้คือเรื่องของการภาวนาที่วันนี้เอามาฝากให้ท่านทั้งหลายนาเอาไปพิจารณา การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัทิตังตุมหังกิปะเมวะสมาจิตโสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปันาระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโน ยะตาโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวพอหลังจากเลิกแล้วก็จะของดถามคำถาม มันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไรค่ะทาง f a c e บ o o k 332ย t u b บ341วิทิวออนไลน์19รับฟังบนเขา32รวมทั้งหมด724ท่านค่ ะ, ะคำถามต่อไปค่ะจะคคำถามต่อไปจากคุณธนากรคำถามที่หนึ่งค่ะ การอธิษฐานใช้ฤทธิ์ในชาญควรทำอย่างไรให้สมดังใจคิดปรารถนาครับความอธิษฐานเนีน่ยใใช้ฤทธิ์ในชานค่ะใช้ฤทธิ์ในชานอธิษฐานเขาไม่ใช้ฤทธิ์ในชานอธิษฐานกหรอกการอธิษฐานนี่เขาแปลว่าความตั้งใจจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ความเข้าใจผิดแปลความหมายของคาอธิษฐานผิดไป คำอธิษฐานในในในาภาษาพาุแปลว่าความตั้งใจที่จะทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จด้เรื่องไปเรียกว่าอธิษฐานส่วนความเข้าใจของทางโลกแปลเข้าใจว่าขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอไม่ได้ต้องทำถึงจะได้คำถามที่สองค่ะปฏิภาคนิมิตกับอุกหานิมิตแตกต่างกันอย่างไรครับ โอกาสนิมิตก็คือโอกาสนิมิต ท, ที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเห็นร่างกา ย, ยาเรียกว่าโอคานิมิตถ้าอยากจะทำให้นเป็นปฏิภาคก็ต้องชำระร่างกายแยกแยะร่างกายออกเป็นอาการ32ไปที่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตคทำถทาต่อไปจากคุณอภิรัสค่ะเลี้ยงไก่ แล้วขายไขย่กินไข่จะบาปไหมครับไม่บาปหรอกว่าไม่ได้ไข่ไม่ไม่มีชีวิตเนี่ยไข่ ย, ยังถือว่ายังไม่เป็นตัวคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณผักผงหากเราพลาดทั้งเกิดเป็นสัตว์นรกเกรดหรือสุรกายเรายังสามารถภาวนาเจริญสติได้ไหมครับตอนนี้ ม, มีฉันทะในการปฏิบัติมากๆครับ ถ้าเป็นเปต ม, ม, มันไม่มีถ้าเป็นรกมันไม่มีมันไม่มีกำลังจะภาวนาได้หรอกแม้แต่เป็นเทวดาก็ไม่ได้ภาวนาจะภาวนาได้ก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเวลาไปเกิดนี่ไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่เป็นเวลาสร้างการภาวนานี่เป็นการสร้างบุญจะสร้างบุญได้ต้องสร้างตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยคำถา ม, ถามต่อไปจากคุณจิงขอบค่ะ เธวดามีเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยไหมครับเพราะเหตุใดครับมีเพราะยังไม่ได้ใช้ปัญญากําจัดมันนะ mm hmm. ผู้ที่มีไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตานั้นนอกนั้นพระริยาขั้นอื่นก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่บางอยู่บางส่วนค mm hmm. ทํามต่อไปจากคุณสุรสักดิ์ค่ะคุณแม่เราเสียแล้วจะทําจิตอย่างไรให้เรามี ความเป็นห่วงท่านว่าจะอยู่อย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรให้ใจเราดีขึ้นครับกคิดตามความจริงเลยว่าร่างกายของคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณแม่คุณแม่เป็นจิตใจที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์จิตใจเป็นเหมือนคนขับรถยนต์รถเสียรถพังคนขับก็ไปหารถใหม่รับต่อ ก็อยู่ที่คนขับมีเงินซื้อรถใหม่หรือเปล่าคุณแม่ถ้าไม่มีร่างกายคุณแม่ก็ต้องใช้บุญเอเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าคุณแม่ไม่มีบุญคุณแม่ก็ต้องไปเป็นขอทานขอบุญจากลูกๆที่มาทําบุญแล้วก็ทิศบุญไปให้คำถามต่อ <c oughs> ไ้จากคุณแมนค่ะ <c oughs> ภายในที่หลวงพ่อกล่าวถึงเมื่อวานนี้ในการปฏิบัติ ภายนอกนั้นแม้อายุจะล่วงเลยไปแล้วแต่กายไงยังเป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้หรือไม่หรือเป็นเพียงสังขารที่แยกออกจากจิตเท่านั้นเพราะบางทีอาจกล่าวถึงไม่ได้และเป็นจริงหรือไม่ในทางปฏิบัติที่จะรับรู้ได้คือสิ่งที่ถึงกันได้ครับ กายในมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีรูปร่างเหมือนกายนอก ม, นนมันไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่จะต้องชารุดสุดโทรหมดไปมันก็เป็นผู้รู้ผู้คิดของมันไปตลอดเวลาแล้วก็สุขทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่บาปมันทำไว้คทถามต่อไปจากคุณพิมพนัสค่ะตอนนี้สภาวะธรรมทั้งที่ไม่ได้นั่งสมาธิ แต่จิตมันว่างอย่างนี้สภาวะธรรมมันหลอกไหมเจ้าคะจิตมันเบากายเบาใจมากๆเจ้าคะ่ะอก็มันก็เป็นตามวาระของมันอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็แล้วกันถ้าเป็นตลอดได้ก็ดีต้องระวังคอยดูไว้เดี๋ยวมันหมดก็ได้หมดแล้วมันก็อาจจะทําให้เราเครียดเราทุกข์ขึ้นมาก็ได้ถ้าเราไปยึดไปติดมัน เราก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันยังเป็นไตลักษ์อยู่ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ไม่ดับไปตั้งอยู่อย่างทา้าวมันก็เป็นนิพพานไปเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะถ้าเราสวดมนต์แบบไม่พนมมือจะมีอนุภาพเท่ากับการสวดมนต์แบบพนมมือหรือเปล่าเจ้าคะ อ, อ๋อแล้วแต่การละเทสะเร่องพนมมือ ถ้าเราสวดคนเดียวในใจเราอยู่ในห้องส่วมก็สวดได้จามีอนุภาพแม่นุภาพอยู่ที่ว่าสวดแล้วคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็มีอนุภาพน้อยกว่าไม่คิดถ้าสวดอย่างเดียวไม่คิดอะไรมันก็จะทำให้จิตมีพลังมากมีอนุภาพมากถ้าสวดไปคิดไปด้วยแข่งกันก็จะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ไม่ได้อยู่ที่ว่าพนมมือหรือไม่พนมมือการพนมมือนี่ก็อยู่ที่กาลเทศะ ถ้าเราไปสวดในโบสถ์กับคนอื่นเขาพนมมือเราก็ต้องผนมมือไปกับเขาแต่ถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวเราจะสวดในใจนั่งขัดสมาธิสวดไปโดยไม่พนมมือก็ได้นั่งอยู่ในท่าสมาธิไปใช้การสวดมนต์แทนพุทโธไปวันนี้วหรอคำถามที่สองจากคุณ น, นิยาค่ะทำไมบางคนถึงหน้าเด็กกว่าอายุอย่างมากๆเขาทำกรรมอะไรมาเจ้าคะ อ, อ๋อไม่แล้วบุงคนบางคนอาจจะเครียดน้อยคนเครียดจะแก่เร็ว คนเครียดน้อยก็จะแก่ช้าสังเกตคนที่เป็นนายกเนี่ยปเป็นไม่กี่ปีนี่ผมหงอกหน้าย่นหน้าเหี่ยวพอพ้นจากตำแหน่งไปปีสองปีเอากลับมาหนุ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันเพราะความเครียดทำให้คนแก่เร็วค่ะคำถามต่อไปจากคุณพัทธดลผมรู้สึกอยากเปิดเสียงสวดมนต์บทมหาสมัยสูตรและมหาเมตตาใาญ่อยู่บ่อย นี้เป็นผมอยากฟังเองหรือเทวดาประจําตัวหรือเทวดารักษาองค์พระสิงศักิ์สิทธิ์ที่บ้านดลบรรดานใจหรือเปล่าครับก็อะไรก็ช่างมันเถิดขอให้รู้ว่ามันดีก็แล้วกันถ้าดีทําไปเถิดจะเป็นเราหรือเป็นใครก็ไม่สําคัญอะไรสําคัญว่าถ้าเป็นการกระทําที่ดีทําไปเลยเราจะได้ผลดีนคํำถามาต่อไปจากคุณวีแสงค่ะกราบพระ ปราบท่านพระอาจารย์ช่วยชี้แนะในการกระตุ้นความเพียรในการปฏิบัติภาวนาด้วยครับก็คิดถึงความตายบ่อยๆเพราะถ้าตายแล้วจะไม่ได้ภาวนาเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยันตอนนี้ยังไม่ตายรีบภาวนาเสียจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวพ อ, อจะมาภาวนาจริงๆเอาจะตายใชแล้วยันตอนนี้ภาวนาได้รีบภาวนาเสีย เวลาเป็นของมีค่าแต่เวลาไม่คอยใครเวลาไหลไปแล้วไม่ไหลกลับใน้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจคือการภาวนาคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณเปียนันค่ะดวงจิตที่ออกจากร่างกายไปแล้วจะสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนตามที่ตั้งใจหรือเปล่าครับก็ไปในความฝันเป็นปโนภาพไป เรานอนหลับเราก็ไปนู่นมานี่กันเวลาไม่มีร่างกายกับเวลานอนหลับก็เหมือนกันเ้วก็ใช้มนโนภาพพาเราไปทคทําต่อไปจากคุณวารีค่ะคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านเขาทําบุญอะไรมาคะถึงได้ถูกลอตเตอรี่เยอะหลายล้านค่ะก็มันมีหลายเหตุเนี่ยอาจจะราชาติก่อนเคยทําบุญมาก่อนทําบุญมาเยอะ ถึงวารที่บุญมันจะส่งผลก็ทำให้ไปถูกรัตเตอรี่หรืออาจจะเป็นเรื่องของความฟุกก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญอย่างเดียวที่ทำให้คนถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรืออาจจะมีตาในเห็นเลขก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องมันมีหลายเหตุที่ทำให้คนถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหมดแล้ ว, ลว <S <S นะโอเค